ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสักกยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอออกป่ากขอจวนจากบุตรเศรษฐีจริงหรือท่านพระอุปนันทสักกยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุปนันทะบุตรเศรษฐีเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติ